แวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นวันขึ้นแปดข่ําเดือนเจ็ดวันพระหน้าเป็นวันเดือนเจ็ดเพนเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันประสูติคือวันเกิดของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันตัดรู้ธรรมแล้วก็เป็นวันปรินิพานคือวันตาย ผลิตภัณฑ์ของพระพุทธเจา้าแต่ปีนี้แปดสองหุนถ้าปีตะก่อนก็ผ่านมาแล้ววันวิสาขาบูชาแต่ปีนี้แปดสองหุ่นเขาก็เลยจัดให้เป็นเอาวันเดือน 7, เจ็ดเพนวันเดือนหกเพนเก่านะไม่ใช่ปีนี้แปดสองหุ่นเขาเลยมาจัดเป็นวันเตือน 7, เจ็ดเพนคือวันพระครั้งหน้านะีะ วันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่าเดือนเจ็ดเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันรักษาศีลเป็นวันประชุมในวัดของเราพร้อมกันปฏิบัติกันมาอย่างนี้โดยสม่าเสมอแปดคำ่ำสิบห้าค่าทั้งขึ้นทั้งแรมปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็ประชุมกันสี่ครั้งวันนี้ก็วันหนึ่งในการประชุม แล้วก็ได้ร่วมกันไหว้พระพร้อมกันจากนั้นเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าก็จะได้กล่าวสัมมบทนิยกถาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราเข้ามาศึกษาใหม่ก็ยังไม่กว้างขวางแต่ผู้ที่เข้ามาใหม่แต่ได้ศึกษามาแล้วอย่างดี อันนั้น ก, กว้างขวางแต่ผู้ที่เข้ามายังไม่ได้ศึกษามาก่อนเข้ามาศึกษาใหม่ความรู้ก็ยังไม่กว้างขวางเพราะนั้นหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าหมู่คณะก็จะได้นําทำคำสอนที่ได้ประสบการณ์หรือได้ศึกษาหรือได้ฟังมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หรือได้ประสบการณ์มาด้วยตนเองก็จะได้มานำนำมากล่าวแนะนำสั่งสอนให้พวกลูกหลานน้องๆให้ได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมองไม่เห็นอย่างอื่นถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาจะเฉลียวฉลาดรอบรู้รอบขอบขึ้นมานั้นมองไม่เห็นทางเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าท่านจึงบอก เอากล่าวเอาไว้ว่าอันในสงแห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นและก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสในการได้ยินได้ฟังธรรมะสุดตามมยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังธทำแล้วก็จินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ยินได้ฟังนั้นมีเหตุมีผลอย่างไรแล้วก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการทําจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งจิตใจไม่หิวโหวยพวกพวนกับเรื่องภายนอกให้จิตใจตัด เรื่องต่างๆออกหมดให้ใจจู่เป็นอิสระตามลำพังนีว่าจิตใจสงบเมื่อจิตใจเป็นอิสระแล้วนำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลก็เกิดปัญญาที่แท้จริงอั น, นีว่าภาวนามายปัญญาเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็ยืนยันอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาก็ต้องอาจอาศัยการได้ยินได้ฟังได้ค้นคว้า จากตำรับตำราจากหนังสือจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของสำนักอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็จะได้บอกกล่าวแนะนำให้เก็บความรู้ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาจะให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาสู่ภาคการสาวพัดหรือได้เข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติ ที่วัดว า, าสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาอยูว่าพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่นี้จะแปลกแตกต่างกว่าการอยู่ทางบ้านทางเมืองบางสิ่งบางอย่างเราก็จะต้องอยู่แบบกันดานพูดอย่างนั้นได้ก็คืออย่างชั้นอาหารมื้อเดียวอย่างเนี้ย แต่บางคนก็อาจจะไม่เชื่ออาจจะกลบอาจจะช่อนทานอาหารอยู่ก็ได้แต่สําหรับพวกเรารู้ว่าทานอาหารมื้อเดียวเพียงพอจากนั้นพวกเรายังอดอาหารอีกทดลองทดสอบดูอีกว่าไม่ฉันอาหารมื้อหนึ่งเป็นยังไงสองมื้อเป็นยังไงไม่ฉันอาหารวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันยี่สิบวันเป็นยังไงบางองค์กดถึงหนึ่งเดือนก็มีไม่ฉันอาหารเลย แต่ผู้ที่ไม่เคยอดก็ไม่น่าเชื่อแต่ผู้อดแล้วไม่มีปัญหาเพราะเหตุใดเพราะเคยทดลองทดสอบมาแล้วมันออกมาจากใจทั้งหมดถ้าหัวใจของเราไม่เข้าไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถือร่างกายมันก็อยู่ตามลําพังใจก็อยู่ตามลําพังอันหิวเพราะอะไรเพราะใจให้ความสําคัญใจเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็แยกใจออกจากกายนะอยู่ตามลําพังถึงมันจะหิวขึ้ไม่ ทุกยากลำบากไม่บิบบังคับจิตใจแต่จิตใจของเราไม่เป็นสมาธิมันหิวมันหิวจริงๆเพ ร, ราะงั้นแหละแต่ถ้าเมื่อเราภาวนาแล้วเราพิจารณากายพิจารณาใจดูแล้วถึงจะมันจะหิวมันก็มีที่หลบที่ซ่อนมันมีที่ปงที่วางบาะงั้นแหะรู้จักวิธีปล่อยวางเหมือนกับเราพิจารณาว่าร่างกายเนี่ยมันหิวอาหารใช่ไหมใช่มันหิวถ้าคนตายหิวไหมไม่หิว มันไม่หิวเอาไว้กี่วันก็ไม่หิวมีแต่มันจะเน่าทำไมมันจึงไม่หิวเพราะใจออกจากร่างแล้วเพราะนั้นเราอย่าให้มันใจอยู่ในร่างให้กายกับใจอาศัยกันแต่ไม่ให้มันแบกภาระมากเกินไปให้รู้จักอันนี้คือกายอันนี้คือใจ น, ะนี่แหละวิธีการปฏิบัติของพระกรรมฐานทำไมท่านจึงอยู่ได้อดอาหารหลายวัน น, ะนี่แหละท่านภาวนาของท่านแต่ท่าว่า อดอาหารแล้วมีแต่พูดมีแต่คุยปล่อยจิตปล่อยใจอันนั้นอยู่ไม่ได้นานหรอกปุ่งฟุงสานเพอเพอจะเป็นบ้าเอาได้ง่ายๆเพราะมันคิดออกนอกรูนอกทางมันหิว่ะแต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติแล้วจิตใจจะแน่งสงบนี่แหละวิธีการปฏิบัติของพระกรรมฐานเนี่ยอยู่แบบกันดารอยู่แบบอดอยากปฏิปทาของสายพ่อแม่ภูบาลการของเราการพูดการคุ ย, ก, คยก็ให้อยู่ในน้อยที่สุด ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปคุยกันอยู่ในความสงบถ้าผู้ใดต้องการความสงบต้องการจิตใจให้สงบตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วพยายามไปพูดให้น้อยที่สุดให้หลีกเล้นอยู่ตามลำพังเป็นอิสระในการเป็นอยู่อย่าไปคบฆ่าสมาคมกันจนเกินไปถ้ามีการพูดคุยกันมากจนเกินไปจะทำให้จิตใจปุงฟุ้ง ออกไปทั้งโลกัตตะสงสารเพราะมันอยากจะไปอยู่แล้วพอมีการพูดคุยแนลแล้วน่ะมันก็พุ่งจจดออกไปบางทีจนคว้าหางไม่ทันว่างั้นแต่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนแล้วสัญญาสังขารมันพาลอบโลกจั ก, กรวาลละกว่าจะรู้ได้ใจของเราคิดไปที่ไหนโอ้ทำไมปุ่งฟุ้งขนาดนี้เพอๆยังยินดีในการปุุงฟุ้งของตนอีกต่างหากเหตุไรเพราะสติของเราไม่ทันนะ ถ้าสติของเราทันแล้วโอ้วันนี้เสียละเสียหลักแล้วปุ๋งฟุ้งมากเกินไปต่อไปเราจะไม่ทําอย่างนี้เอกอันนี้ถ้าว่าผู้นั้นมีความมุ่งมันมีความตั้งใจจะต้องคิดอย่างนั้นแต่ถ้าว่าโดยมากพระใหม่หรือผู้เข้ามาศึกษาใหม่จะปล่อยปานละเลยใช่มากกว่าจนไม่สามารถที่จะยับยั้งจิตใจของตนเองได้มีมากต่อมากเพราะนั้นพวกเรารู้ทั้งสองเงื่อนนะ ปล่อยจิตปล่อยใจแล้วกับพวกรู้ว่าการทาจิตใจให้สงบตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นยังไงถ้าเราเข้ามาศึกษาเพื่อการศึกษาและเพื่อการปฏิบัติจริงเราก็ต้องทำตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรเราก็พยายามหักข้ามจิตใจของเราให้อยู่ในความสงบเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วนั่นแหละบรมสุขก็จะเกิดขึ้น ในตัวของเราเราจะไปอยู่ณสถานที่ใดจะเป็นกระหวัดญาตโจมต่อไปภายภาคหน้าใจของเราก็ไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านจิตใจไม่ออกนอกครูนอกทางจิตใจนิ่งจิตใจสงบจิตใจมีเหตุมีผลจิตใจของเราไม่หิวไม่โหย่ยไม่กวนกระวายไม่กระสับกระายจิตใจกําหนดให้อยู่ในความสงบพอกําหนดได้ทําให้เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิได้ จะนำให้คิดทางด้านปัญญาพิจารณาเหตุทาเหตุและผลในเรื่องราวต่างๆก็พิจารณาได้เพราะเหตัยพอใจของเราอยู่ในกรอบพอเราได้ฝึกไว้ได้ฝึกมาจึงจะไม่อยู่ในความสงบจริงๆก่อรู้พวกเราก็รู้แนวทางว่าวิธีการที่จะทําจิตใจให้สงบนั้นวิธีการฝึกจิตใจของเราให้ใช้การใช้งาน หรืพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนั้นทำอย่างไรพวกเราทำได้ถ้าพวกเราสนใจนะไฝ่ในการศึกษาตามแนวแถวพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์แนะนําให้แก่พวกเราพวกเรานํามาประพฤติธปฏิบัติพวกเราก็จะรู้เห็นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะฉะนั้นพวกเราก็ามาศึกษาถึงจะมีเวลาน้อยก็ควายต้องั้งอก ต, ต, ตั้งใจ ให้จริงจังแล้วก็ให้เป็นอิสระอย่าไปพูดคุยกันจนเกินไปอย่าไปคบค้ากันกันจนเกินไปอย่าไปพบกันคุยกันจนเกินไปอยากจะให้ครูบาอ า, า, าจารย์แนะนําสั่งสอนแล้วให้ครูบาอาจารย์บอกกล่าวซะก่อนแสดงว่าพวกเราถ้าจะว่าไปเหมือนกับเด็กนะให้ผู้ใหญ่บอกซะก่อนยังค่อยปฏิบัติท่านแนะแนวเท่านั้นพวกเราคนน่าจะ รู้แล้วว่าเอออันนี้ไม่ใช่แนวทางของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แนวทางของท่านก็คือให้อยู่เป็นอิสระให้อยู่ตามลําพังให้พูดคุยให้น้อยที่สดุดหลังจากนั้นก็ให้ดูจิตใจของตนเองให้มีสติสัมปชัญญะให้อยู่ตลอดทั้งวันเรานึกคิดเรื่องอะไรแต่ละวันแต่ก่อนเรานึกคิดอย่างนั้นเราได้อะไรสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนนะ ทุกองค์ให้ทบทวนทบทวนข้างหลังว่าสมัยก่อนเราได้อะไรที่เราปล่อยจิตปล่อยใจแต่บัดนี้พวกเราเข้ามาศึกษาในเมื่อพวกเราเข้ามาศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามแนวแถวที่รับที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เอาซิาทํำแต่อย่างที่ท่านพูดซิพอเราปล่อยจิตปล่อยใจมาก่อนหน้านี้แล้วเราไม่เห็นได้อะไร แต่บัด น, นี้เราจะทดลองดูตามแนวแถวที่ท่านอบรมสั่งสอนแนะนําพวกเราเนี่ยหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทําตนอย่างนั้นนะแล้วก็การภาว น, นาเบื้องต้นเบื้องแรกกาต า, ตานามตามแนวแถวที่พระพุะทธเจา้าบรมมครูของพวกเราที่ท่านได้ค้นคว้าศึกษาก็คือทัดกําหนดลมหายใจเข้าหายใจอก อ, อก หายใจเข้ามีสติสัมปชัชญะหายใจออกมีสติสัมปัญญะสัมปชัชญะหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวมีสติสัมปชัชญะในลมหายใจเข้าออกนานอันนี้ก็คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ปฏิบัติในวันเดือนหกเพนจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราท่านก็จะตามแนวแถวนั้นมาให้กำหนดลมหายใจเข้าออก เมื่อกำห น, ำนดลมหายใจเข้าออกนั้นบางทีมันอาจจะมีช่องว่างมันยังมีเผลออยู่ท่านจะให้กำหนดกรรมาฐานบริกรรมพดโธเขาไปด้วยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้คือพยายามทำจิตใจของตนให้สงบนี่แหละอันนี้ก็คือทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ศีลคือวินยัยศีลคือวินยัยพระวินยัยพระสูตร พระสูตรคือเรื่องราวที่เป็นมาพระประมัตธรรมก็คือนี่แหละวิธีการประพฤติปฏิบัติดูจิตใจของตนเองเลยประมัตธรรมพระสูตรก็อย่างหนึ่งพระวินัยก็อย่างหนึ่งพระประมัตธรรมคือพระอภิธรรมหรือพะระปณมัตธรรมนี่แหละอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องจิตใจใจของเรานึกอคิดเรื่องอะไรใจของเราปรงฟุ้งซ่านเรื่องอะไร ใจของเรามีอารมณ์อย่างไรมันจึงปุ่งฟุ้งสั่นอย่างนี้ใจของเราได้รับอารมณ์เรื่องอะไรแหมมันจึงเป็นอย่างนี้ครับอารมณ์ทางโกรธใช่ไหมเขาดูด่าว่ากล่าวเขาว่าให้เราอย่างนั้นใช่ไหมหรือเราไม่พอใจเรื่องอะไรไปทางโกรธใช่ไหมหรือเป็นทางราคะทางราคะคือความรักความใคร่อันนี้อย่างนั้นใช่ไหมนี่แหละอันนี้คือประมัดหรือว่า วิถีทางเดินของจิตใจพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญจุดนี้มากกว่ากฎระเบียบนั้นอึกอีกส่วนหนึ่งการอยู่ด้วยกันเรื่องพระสูตรคือความเป็นมาอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนเรื่องภาวนาจิตภาวนานเป็นจุดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อท่านไปอยู่ตามลาพังท่านก็มีกฎมีระบิยบอย่างนั้นก็คือพระสูตรคือความเป็นมาอย่างไรวันที่ตัดจรูดธรรมนั่นแหละที่ท่าน ภาวนาพระองค์ภาวนากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกและกรรมาฐานที่พระพุทธ เ, เจ้าได้ตัดรู้นะ่ะที่ว่าลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ได้มาอย่างไรใช่ย้อนความไปตั้งแต่สมัยท่านเป็นกุ ม, มารยังเป็นเด็กมีพระแม่เลี้ยงนางนม วันนั้นพระเจ้าจุโถทนะท่านไปแลกนาขวัญกับคืนนี่แหละแลกนาขวัญกัพระเจ้าแผ่นดินไทยนาเนี่ะแต่นี่พวกสนมนารีทั้งหลายกับไปดูพระเจ้าจุโถทนะทําพิธีแลกนาขวัญชิตถะที่เล่นกันไปกับพักผ่อนนอนพวกนางแม่นมทั้งหลายเห็นว่าท่านพักผ่อนนอนแล้วกับเฮโลกันไปดู พระเจ้าแผ่นดินแหลกนาขวันพระองค์พระศิลพระศิลทะท่านนั่งอยู่ตามลำพังที่เป็นเด็กไงท่านนอนอยู่ตามลำพังท่านก็ตื่นขึ้นมาตื่นไม่เห็นไข่พอไม่เห็นไข่ท่านก็นลุกขึ้นมาก็ น, นั่งสมาธิใช่ไหมทาไมท่านจึงรู้ว่านั่งสมาธินั่นคืออะไรเพราะพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ปฏิบัติมามากต่อมาศีอสงไข์กาไรแสนมาหากรั เคยเป็นลือศีสีภยัยเคยเป็นนักพรจนักบวชเคยบําเพ็ญเรื่องจิตภาวนามาก่อนอย่างโศกโศนวันกนะันนมากมายเพราะนั้นอุปนิสัยเก่าของพระองค์เนะี่ยฝังอยู่ในจวบลึกของใจพระไทยของพระองค์นะโผล่ขึ้นมาท่านก่นั่งขัดสมาธิเนะี่พอนั่งขัดสมาธิท่านก่ภาวนาของท่านนะ่ะกำหนดลมนะใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบหลวบลงเป็น หนึ่งเลยแล้วก็เกิดฌานเกิดญาณานทัศนะเกิดอภินิหารต้นว่าที่พระ พ, พ, พุทธองค์ น, นั่งอยู่นั้นไม่ขยับเลยเงาเ ง, งาต้นว่านไม่ขยับเลยตรงเหมือนกับเรากันล่มนี่แดดไม่เข้ามาถึงพระองค์เลยพวกนางสนมแม่นมทั้งหลายไปดูการแลกนาขวาัญเสร็จแล้วระลึกถึงสทธทาอ้อใครอยู่กับ ผลูกเจ้าที่ไหนได้ไม่มีใครไปรกลูกันเข้ามาจากนั้นพอสิทธิธาท่านออกจากสมาธิแล้วยานาัชชาท่านคลายแล้วแดดก็ส่องเข้ามาเป็นปกติก็มเป็นที่อาจารย์นในครั้งนั้นสมัยเมื่อท่านเป็นกุ ม, มารแต่เมื่อพระพุทธองค์วันเดือนหกเพ็นะพระพุทธองค์ก็อันนั้นกำลังที่จะเป็นหนทางที่พระองค์เข้า ภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบในครังนั้นเป็นพระบาดฐานและเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางของพระ อ, องค์พระ อ, องค์จึงได้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้าหายใจออกพระ อ, องค์จิตใจของพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตเป็นสมาธิพปรดง่ายง่พ อ, อเกิดเป็นสมาธิใจพระ อ, องค์ก็เกิดเป็นญาณทัศนะเกิดฌานคือ ฌานเนี่เป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตไม่สงบแล้วจะไม่เกิดจะไม่เป็นฌานเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วญาณทัศน์นะวิวฌานจะเกิดขึ้นกับจิตใจที่สงบแล้วนั้นนี่แหละวันนั้นพระ อ, องค์จิตใจของพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งก็เกิดญาณทัศนะและลึกชาติโหนหลังได้นี่ล่ะอันนี้คือแนวแถวของ พระพุทธเจา้าข อ, อนั้นราะน้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการภาวนานให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ว่าองค์ไหนมีอุปนิสัยอย่างไรกำหนดมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่บริกรรมได้ไหมหลวงพอ่อเออไดอแ้แต่แต่นะคือเราจะกำหนดอย่างไรจิตใจของเรา้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้จิตใจของเราไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซานได้ แต่โดยมากถ้าเรากําหนดธรรมดามันมีช่องว่างที่ทําให้จิตใจของเราปรุงออกไปข้างนอกได้ปรุงแต่งออกไปข้างนอกได้ทำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยยึดพุทโธเป็นหลักบริกรรมด้วยมันก็เป็นพลังสองกำหนดลมด้วยแล้วกับริกรรมพุทโธด้วยจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ดีกว่าง่ายกว่าอันนี้ก็คือเป็นบางคนนะไม่ใช่จะทุกคนทำทุกคน พอทำอย่างนั้นคลๆมันบีบตัวเองมากเกินไปจนจิตใจมันไม่สงบมันบีบเท่าไรก็ยิ่งออกไปอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นเราก็ให้มีสติสัพชัญญะให้รู้จักตนตนเองแหลพูดง่ายๆการภาวนาให้ดูใจของตนเองว่าใจของเราเป็นยังไงขณะที่นั่งภาวนาในคราวนี้ครั้งนี้เวลานี้ใจของเราสงบไหม ใ, ใจของเรานิ่งไหม ใจของเราอยู่กับตัวเองไหมให้สังเกตแต่ถ้าวันนั่งภาวานาใจของเราจะบริกรรมอันไหนก็เถอะแต่ว่าจิตใจของเราปุ๋งฟุ้งซ่านจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจออกไปทางไหนก็ไม่รู้อันนั้นแปลวา่าเรานั่งภาวานาไม่ได้ผลไม่ได้ผลนั่งภาวานาเท่าไปร่เท่าไหร่ยิ่งปรุงยิ่งฟุ้งยิ่งซ่านยิ่งไม่สงบพวกเราต้องปรับปรุงใหม่เอาตามแนวแถว พ่อแม่กูบาลอาจารย์หลวงปู่มันบังคับแต่นี่บังคับให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือว่าพุทโธให้ทียิบได้จิตใจขณะจิตที่มันคิดมันคิดเรื่องอะไรเอาพุทโธเขาไปอยู่ในจุดนั้นเลยเอาไปอยู่ในความนึกคิดนั้นที่มันนึกคิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนึกนึกในใจนะเราไม่ต้องพูดออกปากนึกพุทโธพุทโธพุโธในใจจนไม่มีช่องว่างอันนี้ก็ทําให้จิตใจของเรา เข้าสู่ความสงบได้เพราะใจไม่มีช่องว่างคิดไปทางอื่นนี่แหละวิธีการภาวนามีมากมายหลายๆอย่างถ้าพวกเราศึกษาวันก็ขอให้พวกเราเข้ามาศึกษาให้ตั้งอกตั้งใจนะประพฤติปฏิบัติการอยู่ด้วยกันหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์การอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราได้พบบัณฑิตนักปราชญ์มีแต่ความเจริญแต่ถ้าเราพบพาละชนมีแต่ความจิบหาย พาละชนคืออะไรแนะนำไปในทางที่ไม่ถูกต้องแนะนำไปใ น, ในทางทำความชั่วแนะนำไปในทางที่ไม่ถูกต้องทำให้คุณเบียดเบียนตนและผู้อื่นอันนี้แปลว่าพาละชนแต่บัณฑิตเนี่ยแนะนำไปในทางไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้มีศีลให้มีธรรมให้ความประพฤติเอาไว ใจเขามาใส่หัวใจเราเอาหัวใจเราไปใส่หัวใจเขาถ้าเราไม่พอใจกับเรื่องต่างๆและอย่าทาให้คนอื่นเขาถ้าทําให้คนอื่นเขาเขาจะไม่พอใจถ้าเขามาทาให้แกเราอย่างที่เราทําให้แกเขานั้นเราก็ไม่พอใจในเมื่อเรารู้แล้วว่าการกระทําอย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะไม่ทาทาในสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละถ้าเราทาในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว มันจะเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยเกิดมาพบไรชาติไรอยู่ด้วยกันก็ เ, เป็นมิตรเป็นสหายเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์ชอบพอกันเพราะเหตุใดเพราะเคยประพฤติปฏิบัติกันมาในอดีตชาติอดีตชาติมันมีนะตายแล้วไม่สูญในหลักของพระพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญอย่างพระพระอนุรุทธะเทระเป็นสากยะวง เป็นเชื้อญาติของพระพุทธเจ้าเป็นลูกพู่น้องของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้ามีพี่น้องหลายๆคนนะสุโกตุดโทธนะสุโกธโทโตทนะอมิโตธนะปะมิตาอมิตาผู้หญิงสองผู้ชายสี่แต่หลวงพ่อจะไม่ผิดนะเพราะหลวงพอไม่ได้เปิดตําราพูดนะแต่ก็นี่แหละคือพระอนุรรถธาตยเป็นลูกผููน้องของพระพุทธเจ้า เป็นลูกอาพูดง่ายเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ธรรมได้มาเทศโปรดญาติพี่น้องจากนั้นก็ญาติพี่น้องทะเลาะกันเมืองพิเทหะกับสักยะแย่งน้ํากันพระพุทธองค์ได้มาเทศชนาโปรดพวกพญาติพวงของพระองค์จนเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าทั่วนหน้ากันโอ้ถ้าวว่าพวกเรา ไม่มีพระพุทธเจ้ามาห้ามปลามลวพวกเราคงจะยกพลถล่มกันฆ่ากันในหมู่ญาติตามไม่จริงก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็เส้นผมบางภูเขาอย่างพวกเราเมืองไทยทุกวันเนี่ยที่ทะเาะกันเผาบ้านเผาเมืองกันนี่แหละคือความไม่เข้าใจกันคือพระญาติของพระองค์ในสมัยนั้นคืออย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นพระเจ้าเป็นดินไทยนานคือ พระเจ้าแผ่นดินให้ความสําคัญในการทําไร่ทํานาเพราะว่าการทําไร่ทํานาเป็นการเกษตรกรรมแล้วก็เลี้ยงผลไพ่เมืองของพระองค์ถ้าประเทศไหนมีอาหารการบริโภคสมบูรณ์ประเทศนั้นก็อยู่เย็นเป็นฉุกทีนี้พระเจ้าประเดินกับส่งเสริมการเกษตรพระองค์ก่นเนี่ยพิธีการทําไร่ ท, าทํานาทํำยังไงคือให้เข้า การทำไร่ทํานาไม่ใช่เรื่องต่ําต้อยนะพูดง่ายๆนี่พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ส่งเสริมนะเป็นผู้พาทำนะเห็นไหมนี่ไม่ใช่ชาวนานไม่ใช่เรื่องต่ําต้อยนะคือถ้าไม่คนไม่มีใครทํานาเลยมีแต่ข้าราชการทั้งหมดเราจะกินอะไรมันกินข้าวทุกระดับต้องกินข้าวด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นเราจะไปดูถูกคนทําไร่ทํานาก็ไม่ได้คือหน้าที่ของเขา เราก็ให้ความสําคัญแต่ละคนมีความสําคัญโดยการทั้งนั้นเราไม่ไดูตูถูกเราก็ควรจะส่งเสริมเขาเพราะพระเจ้าเป็นยินท่านก่อนเนี่ยท่านก็ทํานาตอนนี้พอทํานาไปน้ําแม่น้ำหนึ่งระหว่างผ่านเมืองวิเทหะกับก บ, บิลพัทแล้วก็ทําแม่น้ําตันเกินขึ้นมาก็อาศัยน้ําปล่อยไปทั้งสองข้างเหมือนกันทั้งฝัง่งนู้นฝั่งนี้ พอคราวนั้นเนี่ยฝนไม่ตกฝนแรงพอฝนแรงทีนี่วิเทหะเนี่ยเมืองพมานดาของพระพุทธเจ้าหรือว่าเมืองของนางพิมพายโสธราที่บอกเป็นมารดาพระราหูนเนี่ยหรือว่าเมืองพระเทวทัตนี่ะอยู่ในเมืองวิเทหกะกบินลพัสเนี่คือเมืองของพระพุทธเจ้าทีนี้ทางนู้นเขาก็ขอบอกว่า ข้าพเจ้าขอน้ำสักครั้งหนึ่งเถอะนะถ้าข้าพเจ้าได้น้ำครั้งนี้เพียงครั้งเดียวก็พอพวกท่านจะเอาต่อไปก็ไม่ว่าแต่นี้ทางกรุงกั บ, บิลพัทเขบอกว่าน้ำมันมีจำกัดนะ่ะถ้าพวกท่านเอาไปเพียงครั้งเดียวพวกเราก็ไม่มีน้ำเลยทางบุญก็ใช้นักเลงขึ้นมาไม่มีก็ไม่เป็นไรให้ข้าพเจ้าก่อนก็แล้วกันอา้าวพวกเธอให้ได้ยังไงถ้าว่าน้ำ ให้ทางโน้นไปแล้วพวกท่านทั้งหลายมีข้าวกินข้าวไปเจ้าอดข้าวข้าพไปเจ้าจะไปขอพวกท่านทั้งหลายได้อย่างไงพราะทางนี้ไม่มีข้าวจะกินพราน้ํามันแห้งข้าวกระช่างพวกท่านทั้งหลายข้าไม่สนพลในสุดเพียงแค่นั้นเทะนะ่านก็ด่า ถ, ถึงโคดถึงเง่ากันเลยเกิดฉึกสงครามกันคือมา ย, ยกพลพักเข้าไปเตรียมพร้อมที่จะถล่มกันแล้วว่างนั้นแต่สมนะัยนั้นก็คงจะไม่มี ปืนเอ็มเจ็ดสิบเก้าอย่างทุกวันในมัน่งเอ็มสิบหทุกวันในมัน่งปืนโคกปืนเค็กอาปีจงอาปีจีคงไม่มีมีแต่ช้างมา้าอะไรแบบถือมีดหอกแหลนเหลาธนูที่ยิงทางไกลได้เท่านะั้นแตียมพร้อมที่จะถล่มกันแต่นี้พระพุทธองค์ท่านรู้ว่าเนี่ยพวกเครือญาติจะทะเลาะกันพระองค์ก็เสด็์มามากันนั่งอยู่บนกลางอากาศกลางอากาศแสดงอิทธิฤทธิเลยงั้นกระถาม สองกษัตริย์ทั้งสองฝั่งพวกท่านทั้งหลายทําอะไรพวนั้นก็ลดหอกแหลนหลาลงทั้งสองข้างเลยงั้นแต่ลดอาวุธลงเลยพวกท่านทังหลายจะทําอะไรกันพวกหนึ่งก็เลยบอกว่าแย่งน้ํากันพระเจ้าค่ะแย่งเพื่ออะไรเพราะว่าอยากจะเอาน้ําเข้านาพระพุทธองค์กดซักไสเลียงถามเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าน้ํากับกษัตริย์เนี่ย อันไหนมีคุณค่ามากกว่ากันสำหรับเราคือวัตถุกับคนกับคนในชาติอันไหนมีมีคุณค่ามากกว่ากันเขาก็ตอบว่าคนมีคุณค่ามากกว่าน้ำพระเจ้าค่ะถ้ารู้ว่าคนมีคุณค่ามากกว่าน้ำทำไมจึงไปทำร้ายทำร้ายทำ ร, า ย, ทำรายคนไปแลกเอากับสิ่งที่ไม่คุณค่าถ้าพวกท่านทำอย่างนั้น จะจัดว่าเป็นประเภทไหนลักษณะโง่หรือฉลาดลักษณะอย่างนั้นกษัตริย์เหล่านั้นก็สำนึกได้ว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ตรัสถูกต้องเราจะมาฆ่ากษัตริย์เพื่อแลกน้ำเพียงหน่อยเดียวเท่านัน้ไม่คุ้มค่ากันอ้าต่อกันแบ่งการปันเนี่ยคล้ายๆกับบ่งให้มีคณะกรรมการแบ่งน้ำให้เสมอกันน้าออกขนาดเสมอกันเ่านั้น ถ้าคนจะไม่ทะเลาะกันมันทําอย่างนั้นมันทําได้แต่ถ้าคนจะทะเลาะกันแล้วนะ่ะข้าจะเอาคนเดียวอย่าถ้าเอาคนเดียวมันก็ต้องทะเลาะกันนะทีเดีถ้าแบ่งกันอย่างนั้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทั้งสองฝ่ายน้ําไหลออกเสมอกันแปลว่าแบ่งน้ําให้เสมอกันก็ได้น้ําทั้งสองฝั่งแม่น้ำํำนี่แหละพวกกษัตริย์เหล่านั้นเห็นคุณค่าเห็นวาทะหรืวยเห็นความเป็นธรรมของพระพุทธเจ้า ก็เลยเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสก็เลยถวายลูกหลานที่เป็นเสื้อกษัตริย์ให้เป็นบริวารของพระพุทธเจ้าจึงได้จัดพระกิมภลิวัคคุพัทิยะอานน์อนุรุท ธ, ธเทวทัตหกเจ้าชายไปเป็นบริวารเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังนะคือเป็นแนวทางแล้วก็เป็นทางจุดไหนที่หลวงพ่อจะ อธิบายให้แก่พวกเราทั้งๆ ท, ท, ทั้งหลายฟังนะแต่เรื่องมาในพระไตรปิฎกในเรื่องนี้ยาวยาวเพราะเป็นพุทธประวัติหรือว่าเป็นสาวกประวัติผสมประสานกันแต่ทีนี้พระอนุรธทธาเนี่ยท่านบวชเข้ามาพอบวชแล้วไม่นานเพราะบรารมีของของท่านมาเก่าแก่ดั้งเดิมท่านปรารถนาต่างความปรารถนาว่าขอให้พระพเจ้า ได้บวชในสำนักพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์องค์งหนึ่งในอนาคตแล้วก็ให้ได้ในรุติปฏิสัมพิทาให้รูจ้จักทากดักใจทายใจคนอื่นได้ได้วิชาสามที่ข้าพเจ้าบวชได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัปปัโตคือมีอภิเณหานมีฤทธิ์ว่า ง, งั้นเะท่านบวชเข้ามาไม่นานท่านก็ได้ฤทธิ์อย่างที่ว่านสําเร็จสมความมุ่งม า, ปา่ปรารถนาท่านก็ลึก ระลึกชาติทนหลังของพระองค์ได้เนี่ยนระะลึกชาติของท่านคือพระอนุรุทธะเนี่ยท่านระลึกชาติทนหลังท่านชาติที่แล้วที่เราได้บรรลุธรรมในครั้งนี้มาจากไหนท่านก็ได้น้อมจิตลำเลึกถึงอดีตชาติสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าปทุมุตตระนะท่านได้ถวายทานจากนั้นได้ตั้งความปรารถนา พระพรทเจ้าปทุมมรดระกับพยากรจากนั้นท่านก็เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่ทั้งทุกข์ทั้งยากตบากับักทั้งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครบบริบูรณ์เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ที่ว่าเป็นพระอินทรมากที่สุดพระอนุรุทธะนะเป็นพระอินทรมากที่สุดที่ได้เป็นเทวดาแต่นั้นท่านเมื่อได้สําเร็จเป็นพระรหรันเป็นอสิติมหาสาวกอสิติสาวกแปดสิบโรค พระพุทธเจ้ายกย่องได้รับเอตตคะเลิดกว่าพิสุท์ทั้งหลายว่าเป็นผู้ดักใจทายใจรู้ใจของคนอื่นกว่าพิกษุทั้งหลายพระอนุทุธเนี่นะจากนั้นเมื่อท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเออเราได้เวียนไหวตายเกิดในวัฏะสงสารมายืดยาวนานจี่ไหนที่เราที่จะพอช่วยเหลือมิตรสหายของเราได้บ้าง กันก็ น, นอมจิตตล้ลึกถึงเออชาติหนึ่งเราได้เป็นคนทุกข์ยากลําบากอยู่ในเมืองพาราณสีเราเป็นทุกกตะหาป่าขายคือว่าหากินกับหญ้าว่านั้นนะมาไผ่หญ้าแล้วก็ขายเป็นอาชีพแต่อาศัยบ้านเศรษฐีใกล้ๆบ้านเศรษฐีบางทีก็ขายให้เศรษฐีบางทีก็ขายให้คนอื่นถ้าเศรษฐีมาเอาก็ขายให้คนอื่นถ้าขายให้เศรษฐี แต่อยู่บริเวณใกล้บ้านเศรษฐีแล้วก็มีครอบครัวแต่ไม่มีลูกเพราะงั้นคือแม่บ้านแต่ตอนเช้าเขาจะไปแต่เช้าไปเก็บเกี่ยวยาพอได้ยามาแล้วก็คงจะทำเป็นไัยเพื่อทำเป็นก้านยาขายเป็นอาชีพเพราะงั้นอันนี้คืออาชีพในชาตินั้นของท่านอนุรุทธาเนี่ยแต่ชาติเป็นเศรษฐีไม่ตองว่าอันนี้ท่านมาพูดถึงชาตินั้นเป็นชาติที่ ยิ่งใหญ่ชาติหนึ่งทีนี้พอท่านไปเกี่ยวหญ้ากลับมาเห็นพระปิจเจกพุทธเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านออกนิโรธสมาบัติท่านกับพระปิจเจกพุทธเจ้านั่งภาวนาอยู่นิโรธสมาบัติเจ็ดวันพระปิจิตรไม่ได้ฉันอาหารเลยวันนั้นพอออกจากนิโรธสมาบัติท่านกับเล่งดูญานเล่งดูญานเอ้ใครจะทําบุญกับเราในวันนี้วะ ท่านก็ไปเห็นนี่แหละทุกขาตะเนี่ยหาบญ้าณเขาจะทําบุญกับเราไหมนี่โวธรระเมื่อทําแล้วเขาจะได้เป็นเศรษฐีเพราะเขาจะทําบุญกับเราในวันนี้เขาเป็นผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่มาก่อนนสงสัยท่านอนุรุธทธากับพระประเจกก็คงจะเป็นวงสาคะนาญาติอดีตชาติก็คงจะได้เกี่ยวข้องกันกับมังพระประเจกจึงได้เล็งเห็นอย่างนั้นอันนี้ก็ท่านเขาไม่ได้พูดได้กล่าวถึงจากท่านเขามาโปรดพระมิ โอเมตตาจะโปร ด, รปดทุกขะคนนั้นแต่นี้ทุกขะคนนั้นก็หักย่าสวนทางพระประเจก็เดินทางบินทบาตชวนทุกขะก็ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าได้อาหารหรด้ออยังครับผมไปถามพระบินทบาต ท, ท่านจะตอบได้ยังไงใช่ไหมท่านไม่ตอบไม่ได้แล้วได้อาหารได้ออยังเลยท่านก็ตอบไม่ได้ทุกขะก็เลยบอกปนมมือวาง หาบยาลงแล้วกันปนมมือขอเปิดดูบาดฉลาดนะเปิดดูบาดโอ้บาดเป่าพอบาดเป่าเสร็จแล้วกข อ, อนิมนีน่มนตพระคุณท่านมาที่บ้านของกระผมคือบ้านของเขาเนี่ยแฟนของทุกขตาเนี่ยขาจะทําอาหารพอทําเสร็จแล้วแฟนเขาก็ได้เวลาเขาก็ทานทานเสร็จแล้วเขาก็ไปทําอาหารแล้วก็ไปทํางานบ้านเศรษฐีหรือไปทํางานของเขา อาหารที่เหลือก็แบ่งให้สามีเป็นส่วนของสามีแต่นี้สามีเดินมาเพราะปะเจกเดินตามหลังมา <_ d ata> เขาก็เรียกถามแม่บ้านของเขาว่าอาหารของผมยังเหลือไหมยังเหลือโดยถ้ายังเหลื อ, ออกมาให้ผมแม่บ้านเขาก็เอาออกมาพอไ ม, ม้จางที่ทุกตะท่านหิวแสนหิวงั้นพอหาบหญ้าคามาเหงื่อแตกเหงื่อไหลแล้วก็มา จะได้อาบน้ําเสร็จแล้วก็จะทานอาหารแต่ก็มีอาหารสำหรับตัวเองอันเดียวเท่านั้นะนะคงจะหาซื้อในตลาดจนอย่างว่านะถ้านั้นก็พอมาแล้วกต่ไปนมยกมือถวายพระปฏิเจตยกจบบนศีรษะว่างั้นอาหารของตัวเองจบบนศีรษะจากนั้นก็ได้เกียอาหารลงบาดพระปฏิเจกพระปฏิเจกเห็นเขาหิวอยู่นะ เพาอาหารอยู่หม้อเดียวพระประเจก็ปิดบาทเอาครึ่งเดียวก็พอละจํานวนที่เหลือให้คุณให้เจ้ากินซะลนะักษณะอย่างนั้นทุกตาบอกว่าอาหารนี้เป็นอาหารสําหรับคนคนเดียวพระเจ้าค่ะกระผมขอถวายทั้งหมดพระข้าพระองค์กระผมเองไม่ได้เคยทําบุญทําทานมาก่อนจึงทุกทุกทุกจนเพราะนั้นข้าพระองค์ มาคราวนี้เป็นโอกาสอดีๆข้าประจุข้าพระเจ้าข้าองค์ขอถวายอาหารทั้งหมดเพราะอาหารนี้สําหรับคนคนเดียวครัพ่อปเจกก็เปิดบาดพอเปิดบาดเสร็จแล้วครับทุกตาก็นั่งประนมมือตั้งจิตอธิษฐานและวันอาตุเนอรข้าปเจ้าได้ทําบุญกับพ่อปเจกบุญกับสมณะพ่ะปเจกพุทธเจ้าในครั้งนี้บุญกุศลขอให้มากเกื้อกูลหนุนข้าปเจ้าเกิดพบใดชาติใด คำว่าอดอยากคำว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินอย่าให้ข้าพเจ้าได้พบได้เห็นปรารถนาแบบรวบลัดเลยงนะเนี่ยคำว่าไม่มีข้าพเจ้าต้องการสิ่งไหนแล้วที่ว่าสิ่งว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้พบได้เจอได้เห็นขอจึงนั้นอยากจะได้ให้มีทั้งหมดอนุรุธาท่านตั้งความปรารถนาพระเบเจก็มองเห็นอุปนิสัยของทุกข ะ, ะเออสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาแน่ พราะเขาตั้งความปรารถนาอย่างนี้พระประเจกพุทธเจ้าให้พอเลยเอวังโหตุเอวังโห ต, หตุขอความปรารถนาของสันของท่านจงสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาเทอินนะจากนั้นพระพร ะ, ระเจกขัก้นก่นอนเหาะไปเลยแล้วงั้นเ่ะทุกขตาเนี่ยจินดีพอใจอย่างมากไม่หิวอาหารเลยอีกต่างหากเพรเพรอิ่มบุญเหมือนกันเดอะพอได้ทําบุญกับพระประเจกจะได้เทวดา รักษาหอปาศาสตรของเศรษฐีแล้วก็สาธุสาธุสาธุเทวดาไม่เห็นตัวแต่สาธุสาธุสาธุาธเศรษฐีก็ถามว่าใครสาธุเนี่ยว่าเทวดาบอกข้าพเจ้าข้าพ เ, เจ้าเป็นใครเป็นเทวดาเอา้าสาธุเรื่องอะไรบอกว่าเนี่ทุกตะวันนี้เขาทําบุญกับพระปฏิเ จ, เจ้าเขาใสาบา่บาตรพระปฏิเจ้า พกข้าพเจ้าขออนุมโมธนาบุญกุศลกับทุกตะเขาทําบุญในวันนี้เศรษฐีก็บอกว่าเอา้าเทวดาไม่เห็นเหลยข้าพเจ้าทําทุกวันทั้งสี่มุมเมืองอีกต่างหากทําไมท่านไม่เห็นเหรอทําไมจึงทุ ก, กตะทําบุญเพียงครั้งเดียวเท่านี้จะไปอนุมโมธนากับเขาแต่ทําไมข้าพเจ้าทําทุกวันทําไมไม่อนุมโมธนากับข้าพเจ้าใครเข้า่าเทวดาเนี่เห็นแก่หน้าเห็นแก่ ตาลำเอียงลักษณะนั้นเทวดาก็บอกว่าที่ท่านทำนั้นท่านทำเป็นเป็นอาจินหรือว่าท่านมีอยู่แล้วแต่ทุกะตะของเขาเนี่เขามีอาหารสําหรับมื้อเดียวของเขาแต่แท้ถ้าเขาไม่ได้ทานอาหารมื้อนี้เขาก็รุ่นตอนเที่ยงตอนบ่ายเขาจึงจะได้ทานหรือเผอตอนเย็นเขาจะได้ทานเพราะเขาแบ่งกันอาหารสองสามีภรรยาแต่นี้เขาตัดตัดความสะดวกตัดความสบายตัด อาหารของเขาที่เขาจะต้องได้รับเนี่ยถวายพระปรจเจกโอเป็นบุคคลที่หาได้ยากตัดความสุขของตนเองอย่างนี้เป็นผู้เสียสละจริงๆเพราะนั้นพวกเราจรึงอนุโมทนาและได้ทำกับพระปรจเจกพุทธเจ้าอิตังหะบุญกุศลมากมายคราวในคราวนี้เทวดาอธิบายความรู้สึกให้แก่เศรษฐีฝั่งเศรษฐีโอไม่ได้เราต้องไปหาทุกขตะเลยก็เลยไปหาทุกขตะ ทุกตะเธอตักบาดใช่ไหมวันนี้ครับผมทําบุญพระปฏิเจกพุทธเจ้าวันนี้วันเป็นไงโอ้ผมยินดีพอใจผมอิ่มบุญเลยนะวันนี้วันทุกตะถ้าอย่างนั้นเราขอซื้อบุญที่เธอทําในวันเนี้ยขายให้เราซะทุกตะโอ้ยไม่ได้ผมไม่ขายเอาเถอะนะเธอก็ทุกเนี่ยเราจะให้ห้าร้อยกหาปณ ะ, ะเลยวัน้นโอ้ไม่เอาพันกหาปณ ะ, ะไม่เอา หมื่นขาปราแมวแสนขาปราแมเท่าไรก็ไม่ขายไงทุกขตาบอกไม่ขายถึงจะให้เท่าไรก็ไม่ขายขายบุญวันนี้แล้วจะทํำยังไงถ้าอย่างาานั้นแบ่งครึ่งกันหน่อย้าไม่ขายก็แบ่งครึ่งกันถ้าแบ่งครึ่งนะผมจะให้สมบัติผมครึ่งหนึ่งเศรษฐีกัใจสปอร์ตเหมือนกันอยากจะได้บุญเพราะเทวดาอนุโมทนาเนี่ยใช่ไหมทุกขตาบอกไม่ได้ครึ่งหนึ่งผมก็ให้ไม่ได้ แต่ต้องถามพระปเจกพุทธเจ้าก่อนเป็นต้นบุญของผมก่อนเจ้าบุญต้นบุญของผมก่อนผมจึงจะพระพุทธองค์พระประเจกพุทธเจ้าบุตรบอกยังไงสั่งยังไงผมจะปฏิบัติ ต, ตามนั้นแตนี้พระประเจกพุทธเจ้าท่านก็รู้วารจิตของทุกตะท่านก็มาแสดงตนให้ปรากฏมาให้เห็นอีกว่างั้านทุกตะอะไรถามว่าพระปเจกพุทธเจ้าข่าเศรษฐีเขาจะแบ่งบุญ สมควรจะแบ่งไหมจะแบ่งให้เขาได้ไหมเพราะประเจกท่านก็เปรียบเทียบว่าบุญกุศลที่เธอทําแล้วนั้นน่ะเหมือนกับเธอมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งจุดไฟมีไฟอยู่ในเทียนของเธอเธอมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งมีไฟอยู่ในมือของท่าน่ะแต่ใ้คนอื่นเข้ามาขอจุดเขามีเทียนอีกของเขาแล้วมาจุดไฟจากท่านไปไฟของท่านที่อยู่ในเทียนนั้นมันพ่องไหม ทุกขตาบอกว่าไม่พ่องพระเจ้าค่ะยังเหมือนเก่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเอาเลยให้เขาไปเลยแบ่งให้เขาไปเลยคนละครึ่งกันครับผมนะจากนั้นทุกกตาก็เลยบอกให้เศรษฐีบอกว่าที่ท่านอยากจะได้บุญจากข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจินดีแบ่งบุญให้ท่านครึ่งหนึ่งคนละครึ่งกันก็แล้วกันเพราะได้ถามพรอประเจกพุทธเจ้าดูแล้พวพระองค์บอกว่าแบ่งได้ผมจะแบ่งให้เศรษฐีกับ ยินดีพออกพอใจเออเมื่อท่านแบ่งบุญให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะแบ่งสมบัติให้แก่ท่านเครึ่งหนึ่งเหมือนกันเศรษฐีกับส ป, ปอร์ตจากนั้นมาก็เลยแบ่งบุญให้ทุกกะตะทุกกตะก็เลยเป็นเศรษฐีพิพตาเดียวว่างั้นเถิดที่ได้ทานอาหารกับพระประเจกพุทธเจ้านั่นแหะชาตินั้นน่ะเป็นชาติที่ได้บําเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่กับเศรษฐี จากนั้นมาก็ต่างคนก็ต่างตายอย่างที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เลือกเสียทีไม่ได้เลือกยาจกเพราะั้นแหะจะมีความสุขขนาดไหนตายโดยกันทั้งนั้นพอตายไปแล้วเกิดไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปนันะบําเพ็ญมากเกิดล้มลุกคุกคานทั้งสูงทั้งต่ําเกิดมาชาตินี้พระอนุรุท ธ, ธาก็ได้มาเป็นลูกผู้น้องลูกอาของพระพุทธเจา้าอย่างที่วานที่กรุงกบิลพัฒนะเมื่อท่านได้ สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เอ้เพื่อนของเราเศรษฐีมันไปเกิดที่ไหนน า, านท่านมีญาณทัศนะใช่ไหมล่ะท่านก็เล่งดูยานไปไปเห็นเศรษฐีโอ้เศรษฐีเขาไปเกิดอยู่บนเขาบนดอยที่ป่าดงพงไพ่เนะี่ยท่านเป็นเกิดเป็นลูกของสุรุปเปื่อคือเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านอะไรเงเป็นลูกชาวเผ่าในหมู่บ้านนะที่มีมีคล้ายๆว่าเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านนั้น พระ อ, อนุรุทธะกัเลยเออเราจะไปหาเพื่อนของเราอย่างไงนะจวนจวนจะเข้าพรรษาเนะี่ยพระอนุรุทธะก็เลยประจำพรรษาจะไปจำพรรษานะี่ยในบ้านนั้นแหละเงั้นเนะี่เพื่อจะไปโปรดเพื่อนของท่านนะเสี่ยวของท่านเ่างั้นนะที่บำเพ็ญมาด้วยกันเนะี่จะได้พอไปพอไปพ่อของเด็กเด็กที่ว่าเนะี่ยเห็นพระ อ, อนุรุทธะก็โอ้โหเกิดความเคารพนับถือเรื่มใสใครเข้ามา มันเป็นบุญเก่าเพราะเห็นกันน้ำชะตามันเข้ากันบางท่นเถอะเห็นเข้ากันมันถูกกันเพราะคนเคยทําคุณนามความดีร่วมกันมามันตรงกันข้ามกับถ้าว่าคนทําความชั่วในอดีตชาติมีแต่ประหัดประหารกันเป็นอริศัตรูกันมาน่ะเกิดมาพบในชาตินี้เหมือนกับหมาเห็นหมาเหมือนกันเน่ะเห็นเลยหญิงเคี้ยวหญิงฟันใจอกันเลยอันนี้ถ้าว่าคนที่เคยสั่งสมบุญกุศลมาด้วยกันน่ะเห็นกันกันน่ะ มีแต่รักเมตตากันมีแต่ถามกันว่าต้องการอะไรต้องการสิ่งของอะไรเพื่อกุญหนุนกันเลยรักเมตตากันเหมือนกับพี่กับน้องเก่าแก่ตึกตาบันที่มาพบมาเจอกันรักกันเพรานั้นแต่นี่นกัพระคุณท่านมายังไงมาเพื่อจะหาที่จะบรรษาเออผมรับก็เลยบอกให้ลูกชายคนโตเด้อจูระจุระมหาจุระที่เป็น เป็นคนใหญ่ต้อนรับท่านนะลูกนะลูกผู้ใหญ่เนี่ยเป็นรู้เรื่องว่างั้นอะแต่นี่นก็ดูแลพระอนุรุท ธ, ธะสามเดือนสามเดือนเมื่อกับปฏิบัติเหมือนหนึ่งวันนะคนถูกกันนะคนชะตาเข้ากันได้ถึงจะอยู่นานกับมัทั้นเร็วๆไวๆผ่านเดือนผ่านปีไปเร็ ว, รวๆไวๆเหมือนกันเลยถ้าคนไม่ถูกกันคนทะเลาะ ก, กันนะ วันหนึ่งโอ้โหมันเหมือนกับห้าปีอยู่ด้วยกันเลก็อาบกระอวนว่าไงเหอะคนไม่ถูกกันเป็นยางไงแต่คนถูกกันเหมือนกับถูกกันวันเวลาผ่านไปเร็วมากที่นี้พระอนุรุทธะท่านกะจำพรรษาอยู่ที่นั่นพ่อของเด็กหนุ่มทั้งแม่ของเขาดูแลปฏิบัติพระอนุรุทธะพอออกพรรษาอนุรุทธะท่านก็บอกเออโยมอาตมาจะได้ กลับไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วนะกลับไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วธรรมาจะลาแล้วทางพ่อเนี่ยก็บอกโอ้เมื่อพระคุณท่านไปเอาถวายพวกผ้าพวกเพสัตวของที่ของอยู่ของสรนของฉันของใช้ว่า ง, งั้นที่จะนําติดตัวไปได้พระอนุรทธะท่านก็บอกเออธรรมาไม่ต้องการเพราะว่ากปิยทาลกคือสัมมาเนยยังไม่มี จะกลับเก็บสิ่งของเหล่านี้คนนั้นอาตมาไม่เอาไปละมันหนักไม่เอาไปละนะท่านก็ถามว่าท่านต้องการอะไรท่านอนุรุตท่านต้องการอะไร ท, ทั้งทีพระอนุรุตท่านก็ต้องการลูกศิษย์เพราะ ง, งั้นแต่ท่านมองเห็นแล้วนะลูกศิษย์ตัวเล็กของท่านเนยะคือเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรเป็นสหายกันคือทําบุญทําทานร่วมกันมาก่อนนะท่านก็ไม่พูดแอะเขาเสนอมาก่อนเลย พ่อเด็กก็ว่าเอาคนใหญ่ไปก็แล้วกันนะเพราะว่าเด็กคนใหญ่เนี่ยตัวเล็กมันยังไม่รู้เรื่องอะไรตัวใหญ่เนี่รู้เรื่องต่างๆได้แล้วคงจะเป็นประโยชน์สําหรับพระคุณท่านได้อุปถัมประถากเอาเลยโยมยินดีมอบลูกให้เป็นสมัมมเณรพระนรธธุธะท่านมองเห็นล้วเนี่ยตัวเล็กเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันในอดีตชาติเป็นเศรษฐีอ่ะ ท่านก็บอกว่าเออผู้ใหญ่ก็ยินดีแต่ว่าอยากจะได้เี่ยตัวเล็กเนี่ยนะตัวเล็กเนะ่ะเอาตัวเล็กดีกว่าพวกปูนท่านยังยังเล็กเกินไปนะําเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปสอนเองอายุเพียงเจ็ดขวบตนเองสุมาณะสัมมนเนนสุมาณะเด็กชายสุมาณะจากนั้นพ่อนุรุษท่าก็เ อ, อือท่านก็มอบให้หมอบปลูกชายคนเล็กให้ลูกชายคนเล็กก็ยินดีพอใจมังเป็นเพื่อน กันมาก่อนนี่ใช่ไหมพอเห็นมันชะตามันเข้ากันได้เลยวะงั้นแต่รักชอบพระอาจารย์อย่างมากวะงั้นแต่ตอนนี้ก็ไปพอไปถึงเอ อ, เ อ, อปองผมนส่สมณเณรบวชวะงั้นบวชสมณเณรพอบวชอายุเจ็ดขวบใช่ไหมพระอนุรุท ธ, ธะครับว่าสมณเณรตั้งใจให้ดีนะเดี๋ยวเราจะปองผมใ ห, ใหม้เกศาเนี่ยของไม่เที่ยงนะแตมันอยู่ในผมของเรามันอยู่ในบนศีรษะของเรามันอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามันตกมันหลุดออกไปตกพื้นดินแล้วเป็นของหน้าขยะขยงมันหลุดออกไปแล้วแต่มาอยู่บนศีรษะของเราหรว่าเป็นของเสร็จสวยงดงามประดับตกแต่งผมแต่ถ้ามันหลุดออกไปแล้วผมหลุดออกไปแล้วไม่เป็นชิงที่พึงปรารถนาของคนทั้งหลายเพราะนั้นเกษาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของอสุภะเป็นของปฏิกูลเป็นของหน้าขยะแขยงนะสัมมาเนนะพิจารณานะเดี๋ยวเราจะปรงผมให้นะ พอมีดจดลงไปในผมนะั่นแหละผมขาดเพียงสามเส้นท่านรู้แจ้งเห็นจริงเป็นพระหรหันเลยงั้นเลยได้สําเร็จเป็นพระหรหันผมขาดเพียงสามเส้นสรรมเนร์รอายุเจดขวบนะจากนั้นท่านก็เลยเป็นสรรมเนจรได้เป็นพระหรหันเลยท แ, แต่ตัวท่านเล็กก็จริงแต่ใจของท่านเป็นพระเถระเป็นมหาเถระเลยท่เ น, นเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะปัญญา ญาณนทะัศะนะ์มีพร้อมหมดทุกอย่างเลยเพราะท่านสำเร็จเป็นพระหรหันต์จากนั้นท่านก็เลยพาสัมมาเนนเหาะเลยอยงนั้นเถิดสมมาเนนก็มีฤทธิ์เหมือนกันเลยมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันเหาะมาอยู่ทางเมืองมนุษย์ก็แล้วไปบําเพ็ญอยู่ที่หนึง่งพระอนุทุทธะเนี่ยถึงท่านจะได้เป็นพระหรหันต์ก็จริงแต่ท่านยังบําเพ็ญนะพระหรหันต์ยิ่งขยันกว่าพวกเราเหมือนเกษตรถี เป็นเศรษฐีเลืขยันกว่าพวกเราหาเงินขยันกว่าพวกเรานะ่ะคนขี้ทุกข์ขี้ยากเลยคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีเงินเท่าไหร่ยิ่งนอนตื่นสายยิ่งขี้เกียจหาเงินแต่เศรษฐีนี่รู้จักทางหาเงินเลยมองอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดขยันเมือนัันอันนี้พระอนุรุทธะก็เหมือนกันท่านเป็นพระหรันแต่ท่านก็บบำเพ็ญภาวนาของท่านสม่ำเสมอของท่านไม่ลดละทั้งที่ใดสําเร็จแล้วนะภาวนาเป็น วิหารธรรมคือเป็นเครื่องอยู่ในการบริหารกายบริหารก็ใจขอ ง, องของท่านนะจำมะเนรก็ดูแลผลิบัตสอายุเจ็ดขวบนะจากนั้นท่านก็ต่อมาถ้าก็ปวดท้องคงจะเป็นลมอาหารเป็นพิษนะจำมะเนรก็ถามว่าพระอุปัชาครับพระพาจรย์ครับปวดท้องอย่างนี้ฉันอะไรครับถึงจะหายพระ อนุลุทธะบอกว่าถ้าได้ดื่มน้ำจากสะอนุดา่าจะหาย <c oughs> แล้วางนั้นผมจะไปเอาเดี๋ยวนี้แหละท่านก็ห อ, อกไปเลยไงหอกไปพญานาคที่รักษาสะอนุดา่าเห็นสมมันเณรถือกระบอกถือบาทมาเพื่อจะตักน้ำเอาไปให้พระอุปชาพระอาจารย์ดื่มพญานาคเห็นอย่างนั้นน่ะขวางตาทึงจมมั น, มนเณรขอเท่าไรก็ไม่ได้เณ น, นน้อย ผลที่สุก็ท้าลบท้าต่อยท้าตีกันแหละจะนี่พูดยังไงก็ฟังยังไงก็ไม่มีเหตุมีขอร้องยังไงมันก็ไม่ฟังพญานาคเนี่ยแบะคนจะทะเลาะกันมันไม่มีเหตุมีผลน้ําเพียงแค่นั้นถ้าเขาต้องการน่ยก็น่าจะเอาให้เขาแต่ น, นี้ไม่หวงไม่ให้ฮะมันไหลไปมันไปเอาทั้งล่างๆก็ได้ไม่ต้องเอาที่สะหรอกมันไหลน้ํามาเดียวแค่นั่นแหละหสมเด็จบอกไม่ใช่เราต้องการ พระอุปชาบอกไว้ให้ออน้ำสะอโนดาดตรงเนี้ยตรงที่มันน้ำพุดออกมาเนี่ยเอ๊ะมันไหลไปโน่นน่ะแปลว่าทั้งข้างล่างก็ได้พญานาคไ เ, เหมือนกับพูดไม่แย่แสเะไรแบบนั้นไะผลที่สุดก็ถ้าท่านไม่ให้เนี่ยข้าพเจ้าจะต้องเอาให้ได้นะเอาเลยท่านจะเอาพิธีอย่างไงฮงผลที่สุดก็แผงฤทธิ์กันแล้ีไงสัมมาณีเนี่นนก็ไปบอกเท ว, วดาทางหลาย ภุมะลูกขะเทวดาจนถึงพระอินน์ว่า ง, งั้นเอ่อะมาเป็นสกีพยานนะจากนั้นพอได้โผล่นี่ก็มองดูเต็มไปหมดในบริเวณนั้นว่า ง, งั้นเถอะสรมะเณรกับพยา น, นาคกจะจะแข่งริบสไกัน์ว่า ง, งั้นเอะพระอรหันเนี่ยสมะเณรน้อยเนี่ยถึงแตตัวน้อยกว่าจริงท่านเป็นพระอรหันเน่ยท่านคนนี้นิรมิตตัวของท่านเป็นเป็นพรมเท่นพรมสีหน้าเนี่ยตัวใหญ่มากเลยว่า ง, งั้นเถอะพอนั้นก็ท่านก็นเหยียบ ปอนขาลงมาเนะ่ะเหยียบพญานาคเนะ่ยพอเหยียบนี่ยก็พญานาคหดเข้ามาเนหะมือนกับช้างเหยียบทพีอย่างนั้นนะ่ะอยู่ในอุ้งตีนอะไรอย่างนั้นเลยนี่แหละตามกับหดขึ้นมาสมเรนก็ตักเอาน้ําพอตักเอาน้ําเทวดาทั้งหลายจะสาธุเห็นสมเรีนแสดงฤทธ์เนะี่ยพญานาคจะโอ้ขายขี่น้าขนาดหนักเลยจะนี่ขีไวจะมาไล่สมเรียนยังไม่ยอมเลยขนานั้น คนเสียเปียบน่มันไม่ยอมใครนะได้ขยุมเท้าหน่อยนึงก็เอา่างั้นเถอะแต่นี่ไล่เท่าไหร่มันก็ไม่ทันเพราะอันหนึ่งสพาย า, าชาเนียนไวชานโลกีไอทิริตโลกีออทิริตของพระอรหันต์เนี่ยอิทิริตโลกุตะละมันคนละชั้นกั น, น เ, เหมือนกันเลเหมือนกระทองเก๋กระทองปลอมอย่างงั้นอะ่ะทองเก๋เนี่ยมันท้าพิสูจน์ไม่ได้ดลยทอง ทองจริงเน่ยมันท้าไปสู่ได้เอาน้ํากดอะไรรดมันก็เป็นทองอยู่อย่างนั้นแต่ทองเก้ไม่ได้เอาน้ํากดรดเนี่ยพังกระจืยกระจายไปหมด เ, เพราะนั้นธรรมของพระสมมาเนเนี่ยพระอรหันนท่านเป็นโลกุตละธรรมธรรมเหนือโลกเพราะนั้นท่านไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ถ้าเขามีกิเลสราคะโทสะถ่านก็นสั่งสอนนะสอนอย่างที่ว่านั่นนหะบอกแล้วไม่ฟังน่ะเอาอยัางไงท่านก็สอน嘛 แต่ในพญานาคท่านมีกิเลสพญานาคโมโหโกธาตาลุกเป็นไฟเลยแต่ทํายังไงไม่ได้เหมือนันไปหาตามไปจนถึงพระอนุรุทธะแต่อยู่ในที่พักโมยสมมาเรนของท่านเนี่ยไปขโมยน้ําของข้าพเจ้าสัมมาเรนบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ขโมยบอกแล้วตักออกมาโดยดีนี่แหละอย่งบอกกันแล่นเะนีย่ยสัญญากันแล้วนะ่นถ้าท่านจะเอาจะไงได้ก็เอาข้าพเจ้าก็ได้ตักเอามาให้ พระอุปชาเนี่ยนะพระอนุรุธท่านพระอรหันจะไม่โกหกแต่นอกจากพระอรหันเราโกหกได้ทั้งนั้นพระอรหันต่อพระอรหันท่านรู้กันท่านก็ดื่มเลยดื่มน้ําของสมมเนนท่านไม่เชื่อพญานาคท่านเชื่อสัมเมเนนของท่านว่าสมมาเนนของท่านเป็นพระอรหันพอดื่มเข้าไปท่านก็หายจากโรคภยยัยไข้เจ็บหายจากลมเสียดทองก็หายไปจากนั้นพระ พระอนุรุทธะท่านก็เลยบอกว่าพญานาคสมมาเนนท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะถ้าเธอขือนทําอย่างเนี้ยเป็นบาปเป็นกรรมเธอควรจะขอให้สัมมาเนนโอโหสีให้ซะเธอจึงจะพ้นจากบาปกลำ่ำถ้าเธอยังถือทิฏฐิมานะอยู่อย่างเนี้ยเป็นบาปนะฟังเราแต่ว่าพญานาคคนนั้นก็เชื่อเคารพพระอนุรุทธะอย่างมากๆว่นงั้น ก็เลยขอโทษสัมมเนนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอประวลนาสมมเนนด้วยพระอนุรุทธะด้วยถ้าจะต้องการน้ำอไหรส่งสัญญาณไปบอกไปข้าพเจ้าจะเอาน้ำเอาน้ำมาถวายท่านเลยท่านไม่ต้องไปนี่ยอมแล้วทีจากนั้นพระอนุรุทธะก็พาสัมมเนนมากราบพระพุทธเจ้าพอมาเห็นสมมเนนตัวน้อยอายุเจ็ดขวบเลยพระสงฆ์ทั้งหลาย พอเห็นสัมมาเนนท่านนั่นเอามือลูบหัวลูบหลังลูบไหลเอามือจับหูจับจมูกเหมือนกันเะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นพระสงฆ์เหล่านี้น่ะไปทํากับสัมมาเนนเนี่ยสมมาเนนไม่ใช่พระไม่ใช่สมมาเนนนั่นน่ะเป็นพระหรหันนั่นน่ะมันเหมือนกับเอามือไปจับคออสรพิษไปจับคองูเห่านั่นน่ะเป็นบาปเป็นกล âm นะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นพระเหล่านั้นไป รอเรนกับสมมาเรท่านก็เฉยเพราะท่านเป็นพระหรหันต์เล่ท่านไม่เสีย อ, อกเสียใจท่านจับไปแล้วท่านก็เฉยท่านไม่ได้บอกเขาพระองค์งเห็นแล้วไม่ได้พาลาดเรานี้ต้องบอกจากท่านท่านก็บอกกับพระอานนท์เลอนอนท์เราต้องการน้นําสาอโนดมาล้างพ้าบาทเราต้องการล้างเท้าด้วยน้ําสะอโนดไปถามสัมมเเรนุสิใครจะไปเอามาได้ แต่นี้พออระอนุนก็เลยมาถามพระห้าร้อยอยู่ในพัดป่าเชตะวันถามแต่องค์หนึ่งจนองค์สุดท้ายถามมาถึงสุมาณะถามองค์ที่แรกกับปฏิเสธท่านปฏิเสธเพราะอะไรท่านท่านจึงปฏิเสธพระทหารไม่มีเหลือสมณเณรมีพระทหารเยอะแยะเลยสมณเณรแต่ว่าท่านรู้ได้ว่าเรศนี้หรือเรื่องนี้พระพทุทธเจ้าท่านต้องการอะไรท่านรู้นะ เออท่านต้องการสุมาณะสัมมเนสแสดงฤทธิ์ให้แก่พระสงฆ์ดูเพราะพระสงฆ์ไม่ไม่รู้จักสมมาเนสคืออะไรเพราะนั้นอันนี้ต้องเป็นเรื่องของสัมมาเนสุมาณะไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องของเรานะท่านรู้นะท่านเป็นพระรหัสน่ะสมมาเนสแต่บางองค์ที่ไม่ได้เป็นพระรหัสน่ะไม่รู้จริงๆจรางั้มือนกันแต่ท่านเป็นพระรหันท่านรู well, ้ว่าเคสนี้พระพุทธเจ้าประสงค์อะไรจากนั้นเป็นถึงสัมมาเนสมมาเนสุมาณะสมมาเนส สมมเนนไปเอาได้ไหมพระอานน์ถามได้ครับผมทำไมพระพุทธองค์ต้องการน้ำล้างฝ่าพระบาทคือล้างเท้าเหมือนกันได้ครับผมสมมเนนน้อยกัไปกราบพระพุทธเจ้าท่านพระอานน์ให้กับผมไปเอาน้ำใช่ไหมกับผมเออพระพุทธเจ้าเอาไปเอามาได้สมมเนน จ, จากนั้นเอามือหิวปากอหงอเหาะเลยเหมือนัน่น là, แสดงฤทธิ์เลยไปก็ไปถึงพญาวัง พญานาคพญานาคเฝ้ า, าสาเออสัมเนนทําไมมาให้ผมให้โยมให้ผมจัดการให้สมัมมาเนนบอกผมไม่ไม่ไม่ต้องเนี่ยเราจะเอาเองเพราะวันนี้พระพุทธเจ้าสั่งพระพุทธเจ้าต้องการเพราะนั้นโยมไม่ต้องออกไปเข้าไปเจ้าเองงานนี้เพราะฉะนั้นพอตักเสร็จแล้วก็ท่านก็ใส่บ่าของท่านเหาะมาเล ย, ยงั้นพระพุทธองค์บันดาลให้ พระภิกษุเหล่านั้นเน่ะพระปาเชตวันเห็นนะะเห็นสมมเณีห อ, อมาในกลางอากาศพบภิกษุทั้งหลายโอ้สมมมณีไม่ใช่ธรรมดาเพราะเห็นุนี้เองท่านจึงไม่ให้รอเล่นกับสมมณีนะจากนั้นท่านสมมมณก็มาถึงเ ถ, ถวายน้ำพระพุทธเจ้าจากนั้นพระองค์ก็นี่แหะพระองค์ก็ถามว่าสมมมณีเธอมีอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อายุเจ็ดขวบพระเจ้าค่ะเออเอา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอหิภิกษุอุปธรรมอุปสัมปทานท่านจงเป็นภิกษุเถิดทำรากล่าวดีแล้วท่านบวชสัมมาเนนในครั้งพุทธกาลเป็นพระนี่สององค์ส ม, มุนะสัมมาเนนเนี่ยลูกศิษย์พระสารีพระอนุรุธธาเนี่ยองหนึ่งฮะนี่แหละท่านบวชเป็นอายุยังไม่ครบบวชแต่ท่านบวชเป็นพระคือใจของท่านเป็นพระอราหันต์แล้วเป็นพระมหาเถระแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงจะหัวงอกหัวขาวก็เถอะ ถ้าจิตใจยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่อันนั้นยังเป็นพระเล็กพระน้อยแต่ถึงจะเป็นสัมมาเนนก็เถอะร่างกายเป็นสัมมาเนแต่ท่านเป็นพระอรหันต์นั่นแหละคือพระมหาเทระนะท่านเอาเอาใจเป็นใหญ่นะเอาใจเป็นมหาเทระนะแต่ร่างกายเนี่ยยิึงจะหัวหงอกผมงอกผมขาวอายุมากขนาดไหนก็ยังเป็นยังเป็นเด็กอยู่ท่างนั้น ยังไม่รู้เลียงสาภาวะยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเหมือนกับไก่นะ่งตัวไหนเจาะเปลือกไข่ออกมาได้นั่นแหละตัวนั้นแหละเป็นพีนะ่แต่ตัวไหนยังอยู่ในไข่อยู่ยังมันยังเป็นน้องอยู่ถึงจะแก่ขนาดไหนก็ยังเป็นน้องอยู่แต่ตัวไหนเจาะออกมาได้ตัวนั้นแหละคือพี่ไอนะอันนี้ก็เหมือนกันพูดที่เจาะวัะสงสาร ออกไปได้นะคือพระอรหันต์แต่ทั้งอยู่ในเปลอไข่อยู่ยังไม่ออกจากเปลอไข่ได้นั่นคือปุตตุชนจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในพระตาสงสารเป็นอนันตาการนี่แหละสรุปแล้วในเรื่องนี้ที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังมาในพระไตรปิฎกทั้งนั้นการทะเลาะเบาแวงกันคือความไม่เข้าใจครับถ้าพวกเราถ้าทุกคนทาความเข้าใจกัน มีเมตตาต่อกันรู้จักทางออกอย่างกษัตริย์กรุงกระบินละพัดกับกรุงวิเทหะจะทะเลาะกันแบ่งกันถ้ากระจกเรลืองแต่ถ้าว่าคนหนึ่งไม่ยอมแบ่งก็ต้องได้ฆ่ากันต้องได้ลบลาข้าวฟันกันไม่เป็นอย่างอื่นนะแต่นี้เข้าใจกันเหมือนก็มีทางออกจนก็จนด้วยกันมีก็มีด้วยกันมันก็มีเพียงแค่นั้นแต่ถ้าว่า ไม่เข้าใจกันแล้วเน่ยไม่เป็นอย่างอื่นต้องน้ําต้องละเลงละลายแดงฉานไปเลือดของคนจะอาบพื้นแผ่นดินในช่วงนั้นเป็นไม่เป็นอย่างอื่นไงแต่นี้แบ่งกันได้แล้วก็จบไงนี่แหละคือหันหน้าเข้าหาการปรึกษาปารภกันรู้จักทางออกถ้าไม่รู้จักทางออกก็อย่างว่าฆ่ากันแต่ี้อย่างพระนุรุท ธ, ธะท่านได้พบพระปฏิเจ้าพระเจ้จาคกบ บัณฑิตานั้นแต่เสวนาคบบัณฑิตนักปราชญ์ท่านได้ทําบุญกับพระเปรเจผู้ใดจ้าจากนั้นก็เศรษฐีท่านก็ใจสะปอร์ตเองเหมือนกันถ้าบางคนนย่างนจะแบ่งให้เขาอย่างไงทรัพย์สมบัติบุญไม่เห็นตนเห็นตัวเห็นตนจะไปแบ่งให้เขาได้ยังไงฮะแต่ท่านเศรษฐีใจของท่านเป็นกุศลอันเปี่ยมล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ท่านยอมแบ่งสมบัติวัตถุ เพื่อน้ำใจเพื่อบุญกุศลจากเพื่อจากทุกตะแบ่งสมบัติให้เลยครึ่งหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือน้ำจิตน้ำใจการอยู่ด้วยกันจากนั้นเมื่อตายจากชาตินั้นแล้วก็เวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี่แหละสรุปแล้วก็คือว่าตายแล้วไม่สูญใช่ไหมตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุไรเพราะพระพระ อนุรุธนะเนี่ยท่านมีญานทัศนะท่านเล่งดูยานแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเกิดมาพบกี่พบกี่ชาติทั้งสูงสูงต่ตาําๆลุ่มลุ่มรอนรอนผลสุดท้ายชาติสุดท้ายท่านมาเกิดเป็นลูกนาของพระพุทธเจ้าลูกปู่น้องน้องชายพระเจ้าจุดโททนะเพื่อนเศรษฐีเนี่ยที่เป็นมิตรเป็นสหายกันมาเก่าแก่ก็ไปเกิดอยู่เป็นลูกผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในชนบทนะท่านจได้ไปโปรดนะนี่แหละเพราะว่ารรมบทหรือว่านิทานในเรื่องนี้มัน ม, มีมีหลายแนวแนวความคิดอย่างไปสู้กับพญานาคนกันพัระาราหันท่านไม่ได้ใช้อำนาจวาสนาบารมีขอร้องดีๆแล้วไม่ไม่ยอมให้จะทำอย่างไงในเมื่อไม่ยอมให้ก็ต้องแสดงฤทธิ์ที่เหนือกว่าจน พญานานยอมแพ้ไอ้คนที่ยอมแพ้น่ะพญานหนักเลยไม่ยอมเสียเปียกหรืตางหากเ่าไหโกรธโมโหโกธาจะไล่ขยี้สมมเณีอีกสมมเณี จ, จะไปไล่ขยี้ได้ยังไงท่านมีอิทธิฤทธิเหนือกว่าเพราะมีอํานาจเหนือกว่ามีกฎหมายเหนือกว่ามีสตราวุธเหนือกว่าแเราจะไปทํำยังไงทำไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเปียกไงจะทํำยังไงนี่ต้องไปหาพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะก็ท่านห้ามอีก พญานาก็เชื่อฟังถ้าให้เชื่อฟังก็คงจะไปใหญ่เหมือนกันอันนี้เชื่อฟังยอมสารภาพแล้วก็ยอมโอโหสีขอให้พระสมมเนยโอโหสีให้นะนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากนั้น พ, พ, พระพุทธองค์ก็เนี่ยการไม่รู้จักสูงจับต่ํำโขฆาตทางหลายเนี่ยเป็นล้อเล่นกับผู้ไม่รู้จักสูงจับจากต่ำเหมือนเหมือนกับเอามือไปจับอสรพิษไปจับหางอสรพิษ เป็นบาปกลัมหนักเพราะนั้นพบโรงจริงให้สมณเณรแสดงฤทธ์ไปเอาน้ํามาให้ดูนี่แหละจปแล้วก็คือนิทานหรือว่าธรรมบทในเรื่องนี้ให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ําให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรให้รู้จักกาละเทสะอย่าไปอวดดีให้รู้จักคบค้าสมาคมให้จับทําบุญทําทาน การทำบุญทำทานกับพระปัเจกเห็นไหมเอวังหัวตุเอวังหัวตุอววตขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จนะเกิดมาพบใดชาติใดคําว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินข้าพเจ้าต้องการสิ่งไหนแล้วขอให้มีในสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการพระอนุรธธุทธะเนี่ยท่านปรารถนาสมัยเมื่อท่านเป็นทุกขตะนะเกิดมาพบในชาตินี้แล้วเกิดมาพบใดท่านก็สิ่งที่ท่านต้องการมีครบทุกอย่างนะ เพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้ยกเป็นนิทานหรือว่าเป็นเรื่องราวมาในพระไตรปิฎกให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ศึกษามีหลายแนวหลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าวิธีการปฏิบัติภาวนาพระพุทธเจ้าได้ตัดสรตว์อะไรในวันเดือนหกเพนท่านภาวนาอย่างไรให้พวกเรายึดแนวแถวพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพวกเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก แต่หลวงปู่มั่นพนวะเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทให้มีพุทโทพุทโทในจิตใจเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วนะท่านก็ไม่ให้หยุดอยู่เพียงสักจิตสงบเท่านั้นน่ะจิตไม่หิวจิตไม่โหยจิตไม่กระวนกวายจิตนิ่งจิตเย็นสบายจิตไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านกับอารมณ์ต่างๆจิตอิ่ม่จิตเอิบอิ่มนัตถิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อจิตสงบแล้วจิตพักผ่อนเป็นพอประมาณแล้วก็ น, นําจิตที่พักผ่อนแล้วนั้นนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างไรด้านปัญญาคือวิปัสสนาสมถะคือทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งระดับสมถะและ ว, วิปัสสนาเนี่ยก็คือแยกแยะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเรามีอะไรบ้างเกสาโลมานะขาทันตาตะโจ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกเยื่อในกระดูกตับลำไส้ปอดหัวใจอาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในในร่างกายกอ่องมีกระดูกเป็นท่อนๆเป็นโครงสร้างของร่างกายร่างกายอันนี้อยู่ไม่แต่นานนะอีกสักวันหนึ่งนะแตกตายสลายนะสู่ดินน้ำลมไฟนะเป็นของไม่ยั่งยืนนะอย่าไปหลงนะร่างกายนะ ขนาดร่างกายพระพุทธเจ้ายังไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเพราะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนั้นจะต้องแตกต้องตายต้องสลายแน่นอนขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราจะต้องแตกตายสลายแล้วสิ่งอื่นที่มาเกี่ยวเนื่องกับกายตึกกลานบ้านช่องสามีภรรยาลูกหลานเงินคําทรัพย์สมบัติที่สวนเรือสวนไรนาศาลากุฏิบริเวณวัดกําพงกําแพงจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายแท้ เราเออกมาจากออกมาจากท้องแม่ของเราแต่เด็กแต่เล็กจนล้วงจนมาถึงขนาดนี้พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาขนาดจนรู้เรียงสาเพราะอีกสักวันหนึ่งเราจะทิ้งมันอยู่แล้วร่างกายถึงยังไม่ทิ้งก็ยอมจำใจได้ทิ้งเพราะเหตุใเพราะมันแก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายจะเห็นไหมคนตายเอาอะไรไปด้วยได้สักอย่างไม่เอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่างขนาดร่างกายเขายังเอาไปเผาไฟทิ้งไะ เราเนี่คนหนึ่ง่ะเขาจะต้องออกไปเผาไฟทิ้งฮงเพราะนั้นพระพุทธเจ้าอะร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งภายนอกจนเกินไปให้รู้เท่ารู้ทันเราอยู่ในสถานะไหนทำดีในสถานะนั้นทำดีให้ดีที่สุดเราเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีเราเป็นแม่เป็นแม่ที่ดีก็เป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีเป็นครูบาอาจารย์กัเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นลูกศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดี ในขณะทั้งยิมีชีวิตอยู่อย่าไปหลงไหลลุ่มหลงมัวเมากับกิเลสราคะโทสะโมหะจนเกินไปหนะ้าให้รู้เท่ารู้ทานเอาไว้นะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกอย่างพระอนุรุทธะท่านระลึกชาติทุนหลังได้เนี่นะ่ะตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารจนถึงที่สุดท่านก็ได้ชําระใจของท่านรู้แจ้งเห็นจริงที่ท่านบําเพ็ญมาได้เป็นพระอรหันต์ เป็นพระอรหันต์ี่แปลว่าหมดแล้วท่งนนี่จิตของจิตหรือใจของท่านเป็นธรรมธาตุทำเป็นธรรมธาตุละจิตใจว่างจิตใจไม่มีอะไรจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะนั้นขอให้พวกเราศรัท ธ, ธาญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกองค์เน้าให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้ท่านให้ทำอย่างนี้ความปลุดพ้นท่านไม่ได้เลือกเป็นสัมมาเนรินก็ปลุดพ้นได้ ถ้าบอกผูดด้ใดปฏิบัติีปฏิบัติชอบเอาจริงเอาจังก็สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ทุกรูปทุกนามไม่ว่าหญิงว่าชายการพูดการแม่แนววันในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจุติในการพูดเพียงตอนนี้อตอนนี้ไปนั่งสมาธินี่นี่นะ